พระธรรมเทศนาแผ่นที่107ดลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดดอนทานีแสดงธรรมเมื่อวันที่2กันยายน2560มีชื่อเรื่องว่าปฏิบัติตามหลวงปู่มั่นแล้วจะไม่หลงทางน้ำมร้อมกัน นักมุนทัดสางแผงกัวยตุอรระห้ตุลสมัยสมบุรทัดสรเเรียนประมาเดนางด้วนรตะเยนคาตังสัมบังอัปรรทังขามตุนุนพันตีเรียนประมาเดนา อวัยรตเยนนกตาสัมบานกประธานธรรมกมตุนุเพันเตียเทเรียนประมาณเดียนะอวยรตเยนนกตาสามบานกับประธานธัรมกมตุนุเพันเตียงแล้วเตยมตัวกับหมอบลงแท้หมอบลงหมอบลง คณะทศไทยญาติโยมคณะสงฆ์นำคณะสงฆ์จังหวัดกาลสินที่หลวงพอลูๆก็คือหลวงพ่อวัดโพนบ้านโพนพร้อมกับคณะทศไทยญาติโยงคงหลายหมู่บ้านที่ได้มาครวะครูบาอาจารย์ตามประเพณีคงจะมาหลายวัดแต่ช่วงนี้มาถึงวัดหลวงพอ่อ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 ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดอหังขมามิตุมเหหิปิเมขมามิตับบังขมามาันเตเอวังหัตุเอวังหัตุโย จ, จะปุเบปมัชชิตวาปัสสาโซนปะปมัสติโซมังโลกังปพาเซตีอภาโมตัววจันธิมาอภิวาธนาศีลินจนตยังบุทาปจายโนจัตตาโรโธธรรมมาวัฐานติ อายุวันโนสุ ข, ขังพาลังุนโอ้อันนี้พ่อครู อ, อมอมรธรรมวิสุทธิก็ทำไมสมัยก่อนเป็นเน้นห่อยมาอยู่เน่นี่เว้ยน่องจานจารนผู้หลับจารย์เสือดำเนี่ยได้เป็นพระหัวหน้าหัวตาแล้ววย เบิงนะเบิงเบิงนี่ในใดกัน ร, รักษากฎระเบียบประเภทนี้ซอยซอยกันเบิงนะกาลสินนะ <c oughs> เป็นแน่นอนไม่อยู่กับหลวงพ่อในสมัยก่อนถ้าจะว่าไปกับสามสิบกว่าปีแล้วมั่งจากนั้นมากนะเอาฟังนะคณะนะราาศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะที่นี่นะหลวงพ่อจะปาลบจะพูดอะไรให้พวกเราฟังเพราะถือว่ า, ร า, าศรัทธาญาติโยมมาจากห่าง มาจากไกลละเกินเสียเวลาเสียเวล่อมเวลาเสีย เ, เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสู่วัดหลวงพ่อณนะวันนี้นะหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจดีอกดีใจกับคณะสัตยาจ้าโจมลูกหลานทุกคนนะแต่เฮ้าศิวะภาษาบ้านเฮ้าภาษาไทยดีน้องเฮ้ยมต่คนบ้านเฮ้าเหรอฮ ะ, ฮ ะ, ฮะพะ่อภาษาอย่างดีเห มีคนภาษาพนภาคกลางบปไม่นีฮะค้องบอมมี่มั้งเฮ ะ, ฮะบอมมี่เนาะมิเตภาษาบ้านเน่าเนาะโมงง่ายๆดูวะเออเมื่อนี่เป็นวันมงคลมหามงคลชนะคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานเออเมื่อนี่เป็นวันที่สองกันยายนพฤษภกราสองพันหารอยหกสิบ แต่ก่อนอื่นหลวงพอ่อยากจะแน้นําบอกกล่าวเรื่องจีดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตามาหาบัวก่อนนั้นหลุกลานนะก่อนที่จะบอกนักอื่นต่อไปเพรเดียวนีหลวงพอยังกําลังจะหาทุนสรั่งพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาแต่ว่าเป็นอย่างจัตวาใหญ่ที่มับางคนกับของเจ้าเอ๊ะเป็นอย่างเส้นสัญญาณหรือจะมาจะมาหา บอกกาวอีกตามให่จริงการเส้นสัญญาเมื่อวันที่10วันที่17มิถุนานะเป็นการเส้นสัญญาพระเจดีกับพระวิหารสองอย่าง เ, าเส้นสัญญาวันที่17ได้บริษัทสอบุญมิลิด เ, เป็นผู้มารับมะรับเหมาคอสะแล้วกับบริษั ท, ษทจตุนเห็นเป็นผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการทั้งจังหวัดทั้งทุกทิศลุกทางน่ะแต่หลวงพ่อนี่เป็นผู้สนับสนุนนะบอแมนเขาตั้งให้เป็นทีปรึกษาหลวงปูป่พนมีผู้ที่หนึง่งหลวงปู่ลี่กูบาอาจารย์หลวงพ่อเป็นผู้ผที่หกที่เจ็ดพูนนะ่ะเขาตั้งเป็นผู้เป็นทีปรึกษาแต่หลวงพอกับนั่นนะ่ะเขาจะปรึกษาก็ได้เ่าะปรึกษาก็ได้แต่หลวงพ่อนี่เป็นผู้สนับ ส, สนุนเต็มที่บอสนับสนุนใดจังใดไม่บอละเมื่อทุ่นเขามอม มาว่างเจริญเลิกที่สร้างพิพิธภัณฑ์สร้างเจดีย์ของหลวงตามือนั้นน่ะหลวงพ่อเนี่ยรับเลยว่าหลวงพ่อจะหาทุนหาเงินช่วยสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยห้าสิบล้านบาทนะรับประหารสิบล้านบาทหลูกหลานนะกรุงของหลวงพ่อน่ะปนัดหลวงพ่อจังหวัดหลวงพ่อเ น, ออเนีสนับสนุนในการสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาอย่างเต็มที่แต่เดือนบาทนี้ พิพิธภัณฑ์ของโลงตาเนี่เส้นจัญญากันแล้วเมื่อวันที่1ิเจ็ดแต่เส้นจัญญาพาะเฉพาะพระเจดีกับพระวิหารสองยางงบสองางน่ะลอย่าสิบบาะงบสองยาง490ลอย า, านาแต่เงินที่ค้นย้อนตู้ตั้งแต่ทุกนกะมองฟ่ยยายหญิงเพิ่นมาว่างชิลเลิกนะพ่อ ดูจากวาสีสางและสีสางพระเจดีแลดวเจ้าเหน่งก็มีคนมายอนตู้กันแล้วตั้งแต่มือนั้นมาจนถึงวันที่สิมิถุนายนพกระดิษา์จากว่าย่าวัจกรวัดเป็นประกาศมือนั่นละ่ะว่าเงินทั้งมัดนี่ได้แล้วหาลอยหลอล้านเป็น่าก็เพียงพ่อนะ Стати, เ พ, พียงพอที่จะเข้าจะเส้นสัญญาสองอย่างคือพระเจดีกับพระวิหารส่ลอยเก้าซิแต่เนี่เงินสี่ลอยสีเก้าซนี่ยมาลบกับหาลอยสามสิบเจ็ด้านมันเหลือเท่าไหร่แต่นี่ต่อมานี่ยจะสองสั่งพิพิธภัณฑ์มานี่พิพิธภัณฑ์ก็คือหลังหนึ่งสรุปเลยเก็คือจะมีการสั่งสมอย่างเจดีพระวิหารแล้วกัพิพิธภัณฑ์ แอบพิพิธภัณฑ์อาไปยังยังสั่งของหลวงปู่ลี่ก็มีแล้วนะแต่ของหลวงปู่ลี่เนี่ยเป็นจําลองมาจากวัดป่าสุทธาวาสจังวัดสกลนครเปิดมาสั่งเป็นที่ไซอัฐะบริขารแต่พิพิธภัณฑ์ที่จะสั่งใหม่เนี่ยที่สั่งที่มหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะ อ, ออกแบบสั่งใหม่เนี่ยมันเป็นพิพิธภัณฑ์สําหรับเป็นประวัติของหลวงตา มีธรรมเทศนาหลวงตาเป็นสามภาษาภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนจี๊ดไซในพิพิธภัณฑ์แล้วก็พิพิธภัณฑ์นเองจะบอกกล่าวถึงประวัติของหลวงตาหลวงตาเกิดจี๊ดไซแล้วเป็นอย่งเพื่นยังอยากเป็นอย่างเพื่อนอยังบวชเพื่อนอยากบวชป้อเป็นประวัติที่น่าศึกษาอันทั่วไปเป็นประวัติที่น่าศึกษาหลวงตาเนี่ เพิ่นบ่อยากบวชเลยพ่อแม่เพิ่นขอร้องไปแต่เป็นอยังเพิ่นยังอยู่ได้นี่แหละประวัติของหลวงตานี่จะต้องเป็นประวัติที่น่าศึกษาทีเดียวเมื่อบวดเขอกมาแล้วเพิ่นไปโยสายในะการเล่นปริยัติธรรมจากกรุงเทพเจนได้มหาเปรียญสามนักธรรมเอกนะอพอแล้วเพิ่นก็ตั้งอกตั้งใจออกปฏิบัติเลยวันจะบวชเล่นต่อปริยัติปริยัติหนี่พ่อแล้ว ออกปฏิบัติเท่านั้นจากนั้นหลวงตาก Allez, เ็เลยปีกตัวออกมาปฏิบัติไปศึกษากหลวงปูหมันที่บ้านน้องผือนานในที่ตอตะกอนก็เป็นไปอยู่บ้านโคตกตะกอนแถบสะกลนครแถบวัดดอยธรรมาเจดีนี่ยนะจำพรรษาปีแรกจากนั้นหลวงปูหมันขยับเข้าไปทั้งอำเภอพระรานาดที่ขมบ้านน้องผือนานในหลวงตาก็เขาไปอยู่น้ำหลวงปูหมันจนหน้าที่ สุดท้ายที่หลวงปู่มันจะขยับออกมาป่วยนี่แหละหลวงปู่หลวงตามหาบวศึกษากับหลวงปู่มันเป็นเวลาทางหาหกเ็ดปีนี่มิพะคูบาอาจารย์สักอง์มีหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฝั่นหลวงปู่ออนหลวงปู่ต่างๆเจ้าคุณธรรมเจดีหลวงปู่หล่าหลวงปู่วันหลวงปู่จวนมีคูบาอาจารย์รุ่นนั้นมีสักองคอันนี้ก็เป็นประวัติปีเป็นประวัติของเพิ่นคือกัน เราจะเรียบเรียงมาจากนั้นก็หลวงตาหลวงปู่หมันจุตินิรพานที่วัดสุดทวัดหลวงตากับพ่วนาจนได้สำเร็จมากคสำเร็จผลที่วัดรอยธรรมเจดเีจากนั้นหลวงตาก็ได้มาสัาง่งไปบ้านหวยไา้อำเภอมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารที่วัดกุณแมชีแก้วไปโปรดทั้งพุ่นอันนั้นก็อยู่หัาหลายปีจากนั้นก็ไม่ อยู่ที่วัดปลาบัานตาดเผินสางมาถึงแต่สีผ่ีลอยนะเก้าสิบเก้าจนถึงพินจุตินิราพาณนี่แหละจากนั้นเพินโยบันตาดเพินเทศนาว่าการอบรมพระฟรังชาวต่างชาติาทางหยาิทางโยมจารุกจากรุเทศอันนี้แหละคือประวัติของเพิ น, ลนแล้วกันแล้วก็ทำประเทศนาของเพินเพิ่นสอนอย่างไงได้ในขณะที่เพิ่นอบรมนั่นาจากนั้นก็ ลงตากรหาช่วยสงเคราะห์โลกหาโรงพยาบาลหาโรคราโรงเรียน เ, เครื่องมือแพทย์โรคอย่างจากจังหวัดกาละสินของ ข, า ข, องขาอ้าวขบวนเปนหน่อยที่ลงตาไปช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์อะไร ท, ที่ที่วาการอำเภอบ้านมนะ่วงในข้าวนั้นที่ลงพอกอไปนะไปงานของหลวงปูเขียนาทางนายอำเภอเดินเขาก็มาขอในช่วงนั้นแหละลงพอกที่นางฟังน้ำข้าวเจ้าอยู่ ที่วาําเภอบ้านม่วงนะแต่หลวงพ่อจำํำบทผิดเนอเนี่แหละอันนี้คือประวัติของหลวงตาที่ช่วยสงเคราะประเทศชาติบ้านเมืองจากนั้นลวงตากันี่ยนะปี39มสเก่ศสมัยเศรษฐกิจประเทศชาติตุมย่ำกุ้งเขาวานะเขาเขาบอไว้ประเทศไทยประเทศไทยถูกตุมย่ำกุ้งครับลวงตาก็โอออกมาจากป่าหลงพงไพรหาท้องขําเขาคลั่งหลวง ได้ถึง13ตันแล้วก็ท่องเงิ่อนอีกสิล้านกว่าดอลลาร์เอาเขาคลั่งหลวงเป็นเครื่องประกันสําหรับบ่อให้เงินบาทมันตกต่าให้เงื่อนบาดไมีคุณนขานี่ยแหละหลวงตาก็หาท่องคาเขาคลังหลวงข้าวนั่นาจากนั่นก็หลวงตาก็ค้งสุดไทยก็หลวงตาจุตินิรภัณฑ์พวกเขาก็จะจัดงานศบ ถวายองค์ลงตาด้วยสมเกียรติชัดทายาตย่อมกัหล้นลามคนเป็นล้านฮนะนี่แหละอันนี้คือประวัติของลงตาพวกเข้าจะเอาไหว้ในประพิพีเตพันเราเข้าจะได้ศึกษาลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังแมนยุพวกเข้าเกิดมา ก, ก่อนเข้าก็พ่อฮูแต่ว่าต่อไปพ่าภาคนาประวัติจะลอยหล่อไปเรื่อยถ้าเาว่าเข้าบาถประวัติเพิ่นเอาไว้นะ กาว่าเห่าทําประวัติเอาไว้เป็นกิจจลักษณะแล้วการที่จะทําประวัติเนี่ยต้องมาหลายขู่หลายก้นมากกันก ล, อล่องไตรตองผูกเคยอยู่รุ่นไม่หุ่นเกาหลุ่นนอกรุ่นพี่มาปรึกษากันจากนั้นเห่าก็จะได้ทําเป็นประวัติไวนะ้แต่พิพิธภัณฑ์ของหลวงปูล่ลี่ที่เป็นจําลองมาจากวัดสุทธาวาสอันนั้นคือเป็นเอาถ้ำทำลายอัถบริขาร ของหลวงตามีบาดมีจีวอนเป็นพิธา ร, รบริขารคนเข้าพวกเข้ากับไปกับไปยกมือไหวไปกราบอัธิบริขารของหลวงตาแสดงความลาลึกถึงองค์หลวงตาอนุสติคือความลาลึกถึงแต่คนกระบอกเลยมีทําข้ามสอนอย่างด้วยไดหันแต่อันหนึ่พิพิธภัณฑ์ของที่จฮเฮ็ดไม่นี่คือมหาวิทยาลัายกับลุขขขศิษย์คณะศิษย์เจฮ์เฮ็ดเฮ็ดอีกแบบหนึ่งนะลูกหลานนะ พ่อดใพวกเข้าเข้าใจตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังนะนี่แหละเมือ่อใดก็จะมีการทอดกระถิ่นบัดนี่พอเงินจำรวด น, นี่ยัยงย่งขาดอยู่ไอ้ผิพิธภัณฑ์เนี่ยย่งขาดอยู่แต่ว่าพระวิหารกับพระเจดีเนี่ยพอแล้วแต่ผิพิธภัณฑ์ยังขาดยังขาดมากน้อยขนาดไหนอันนี้ยังบอกบระท่นใดพราะยังพระท่านวิศวกรหรือว่าเจ้า ผู้ที่รับเหมาเนะ่ยเขายังบอกท่านมาประมูลหรือบ่กท่านว่ากันคันท่าว้าเท่าว่าไปก่อนนะครามันแพงเกินไปเนะี่ยเขาก็เหมือนกับชี้พร่งให้กระลอกใช่ไหมให้ผู้รับเหมาเขาเดินตามเพราะนั้นเท่ากับประกาศผูดให้เขาเบอกกันเองแต่เท่ากับกะว้ถึงยังได้ก็ตามมันจําเป็นได้ใช่หรืจะทุกปัจจัยคันว่าเมื่อสางพระเจดีแล้วเขาจะอาจจะสร้างต่างเป็นมุน่นในที่ดูแล พ่อเจดีดูแลพระวิหารดูแลพิพิธภัณฑ์อมันบมมันหมดไหลไปใส่ดอกขันธวาเข้าสางแล้วกนระต่างเป็นผู้นิติดูดูแลรักษานะที่เข้าได้สางไว้นี่แหละอันนี้ก็เมื่อวันที่เจ็ดนะลูกหลานนะวันที่เจดตุลาหกศูนย์นี่แหละอันนี้ก็เป็นวันที่สองเลนะเประมาณประมาณจะเดือนกว่าสองสามมือนะจะมีการถอดกระถิ่น ที่วัดปลาบ้านตาดเวลาเก้าซุนซูนอเป็นกระถินสามขีคเนี่ยจิตญาณุสิทธ์นะในเราบอกให้ใหเจ้าอาวาสอาจารย์ทั้งสองสามพระอาจารย์เนี่ยหาแต่ละวัดละวัดรว บ, ร ว, บรวมมานะอยากจะให้จองจองเท่าไรเนี่ยแต่หลวงพ่อนี่จองนะหลวงพ่อนี่จองหนึ่งพันกองนะหลวงพ่อจองหนึง่งพันองกองาพันะเท่ากันคำกันสามล้านนะ ลานหนึ่งเนี่ยจองได้ส3มร้อยสามสิกองหลวงพ่อก็เลยเออจองสักพันของก็แล้วกันนะคณะกลุ่มของเฮ้าเนี่เราหลวงพว่อกระถุมแท้เพื่อจะสั่งเพื่อจะจองกระถินขององค์ลงตาในข้าวนี่พกตรินสามขี้เพื่อสั่งพิพิธภัณฑ์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพราลันขอแจ้งข่าวให้คณนะคณะศรราสตราจารย์โน้มทั้งจังหวัดกาลสินเนะ ทุกคู่ทุกคนผู้ใดจะโอนเขามากก็ได้ลุงพอจะให้บวดซั่วแต่นี่บวชซั่วเล่มนี่ลูกหลานผู้ใดจะโอนเขาโอนมากได้เนี่ยพอว่าคนบอกไปในนี้แล้วเนี่ยขอเชิญร่วมทอดกระถินสามัคคีแปดหมื่นสี่พันกองสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ ธรรมจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุญญาสัมปันโนวันเสาร์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2560เวลา 9:00 นณวัดเกศรศิลป์คุณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุรธานีร่วมทาบุญทอดกระถินสามพรคีีครั้งนี้ได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อบัญชี ถ้าเป็นไในใหโอนนะใหโอนเงื่อนเข้าบัญชีพระต้องย้อนตู้นะกระถินสามบักคี8 0 0 0มนสี่พันกองนะชื่อบัญชีนะชื่อบัญชีกระถินสามบักคี8ป0 0 0สีพันกองเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีหลวงตามหาบัวธนาคารไทยพาณิชสาขาถนนทหารอุดรธานีเลขที่บัญชี721 288 188นขีด8 อันนี้คือคณะัทติ ญ, ญาติาย่อมควรได้จีโอนเขาน ะ, ะแต่ดูดูแล้วตัวนี้กับตัวนี้มันบวกขึ้นกันเนี่เอามาแจงใช้กั น, ไนบไรีได้ตัวนี้กับตัวนี้นะเบิงเบิงขัด อ, อกสการเนอเดี๋ยวหลวงพอ่อจะขัดอีกทีหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวให้คณะัทตาิ ญ, ญาติย่อมลูกหลานได้ทราบพราหลวงพ่อเนี่ถือว่าการสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่เป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญ พอวาเลาเป็นสิทธิานุสิทธิได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาได้รับความรู้ได้รับธรรมะได้รับการสงเคราะห์อนุเคราะห์จากองค์หลวงตามามากมายพวกเฮาเสียสละคนละมากคนละหน่อยเพื่อบูชาพระคุณหลวงตานบานวันใดเคยชักจะเกินไปแล้วลงพอวานะเพราะนั้นจึงแจงแจกบอกแจ้งข่าวให้กับคณะจัด ท, ทา ย, ยาโนมลูกหลานทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หลวงพอ่อไ่ได้แบบว่าบีบหน้าท่าเล่นนะไม่ได้ขอคำว่าพวกเข้าบ่าเห็นประโยชน์บ่เห็นคุณค่าบ่าเห็นพระคุ้นของหลงตาเข้ากับบ่ได้ว่าไอ้ยังวนวนไปคำว่าพวกเข้าเห็นคุณนค่าเห็นประโยชน์เห็นพระคุ้นของหลงตาที่ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศ ช, ชาติบ้านเมืองกับพวกเข้าทันทั้งหลายพวกเข้าควรจะเสียสละนะเสียสละคนละมาดคนละหน่อยตามกําลังซัดท่าบ่อยนักหนา เฮาหลวงพ่อจังพูดมือว่านมือกรหลวงพ่าพอเข้าเอาเงินไปซื้อเลขซื้อหวยก็ยังมากกว่านี่หมดไปเท่าไหร่เฮาก็ยังซื้อแมนยูเขาซื้ออยากไดอันนี้เฮาขอควรจยากได้บุญคือกัน่เสียสาระพวรอยากไดบุญผมแมนเขาเสียสาระถิมซื้อได้เงินสามพันเนี่ยเราเฮาอยากเจดียบุญขอให้เกิดพบนาชาตินาขอให้เป็นมีความสุขร่ํำรวยโชคดีตลอดไปได้สางเจดีย ถวายพระอาหารหันต์คือองค์หลวงตาเนะ่หลวงพ่อวาจังจันนะคณะท่านญาติโยมเนอะอันนี้ก็ขอแจงข่าวแล้วก็เมือเนี่ยเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวท่านอาจารย์พระคู่แล้วก็ท่านพระอาจารย์จงบวัดบานพ้นเป็นศิตเดียวในชิตของหลวงปู่เขียนหลวงปู่ใหญ่ของพวกเฮานะ ที่เป็นหลวงปู่ใหญ่ของเฮ้านี่ยหลวงปู่เขียนเี่กัเป็นเพื่อนสหถรมเมกกันเลยกับองค์หลวงตามหาบัวกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอายุคู่ขี่กันแล้วก็เพิินไปมาหาสู่กันแบบรักเมตตาชนิดสนมกันพูดง่ายง่ายหลวงตากับเจ้าพระคุณสมเด็จแล้วก็เจ้าคุณมหาเขียนเนี่ยใครเข้าไปมหาสู่กันอายุใกล้ๆกล้กันแล้วก็มาจากวัดบวรวัลขึ้นกัน เพราะนั่นวัดบ้านโพนก็จะเป็นวัดหนึ่งเหมือนกับวัดหลวงตาหลวงตาเคยนะคือนะั่นอ่ะช่วยชงเคราะห์เพราะนั่นพวกเข้าลูกหลูกห ล, ลา น, ลานทั้งหลายที่เต้ ม, มาไปมาหาสู้กันอย่างเมือนี้แหละหลวงพอ่อถือว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งผนัดมาหากันเลยหลวงพ่อกับบ่มีหนังจีแจกกัมีแต่หนังสือธรรมะแนวความคิด หลักธรรมประเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แจกจายกันให้พวกเขาเออกไปฟังออกไปศึกษาในเมื่อเขาไปฟังไปศึกษาแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายว่าจาใจของเข้าธรรมะเนี่ยมันเป็นของกลางคณะสถาญาติโฉมลูกหลานนะถึงไผ่เจียกล่าวจังไดรกันใดแต่กล่าวว่าเป็นอัดเป็นถ้ำบอกขนาดเต่นหน่อยเป็นพระหรหันย์ยังสนอนอ พระปรม า, าจารย์โปทิลัตพระโปทิลัตจบพระไตรปิฎกนะแต่แ น, น่นอนเป็นพระรหันต์อยู่ในป่าเป็นยังสอนอาจารย์โปธิลัตได้นี่แหละธรรมะเนี่ยพออยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดธรรมะไดอยู่กับผู้รู้ผู้ปฏิบัติจริงปฏิบัติลูกมรรคลูกผลเท่านั้นเท่นั้นให้พวกเข้าเหมื่อนในน้ำท่ำคําสอนไปแล้วก็เอาไปอ่านไปศึกษามันจริงบ่ เทียบเียบครับพระธรรมคําสอนมาในพระไตรปิฎกพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกวันนี้มันแปลกปลอมมากมากในคณะรทาญาติโยมที่หลวงพ่อฟังฟั ง, ฟงเบิ่งแล้วแต่ถึงยังก็ตามให้พวกเขายึดแนวแถวขององค์หลวงตานะาหรือยึดแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเฮ้าที่เป็นสายหลวงปู่หมันท้าวหลวงพ่อบอกว่าทายึดแนวปฏิปทาแนวนี้แล้วหลวงพ่อว่า พวกเข้าบวหลงทางนะถ้าว่าพวกเขานี่คืว่าเขาเด่นเขาดังแบบไปยึดเดินตามนะโดยมากตกเขียวตกบอ่อเลยอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเข้าทุกๆุกท่านขึ้กันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อก็ไปเนีบอกว่าให้พวกเข้าใส่มาแบบม้าเมืองล้ำปางเมืองอินเดียโบแมนเลยมั่งมาเมืองอินเดียเมืองล้ำปางนี่ยเขาตีใส่สซองบ่กให้มันเหลียวพุนเหลียวผี่นออไป ให้มองซ่องเดียวหลวงพ่อก็บอกขึ้นปานนั้นไอ้พวกเข้า เ, เมื่อได้ฟังศึกษาหลักธรรมคัมศรัทธาของอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเข้าแล้วให้นําไป เ, เปรียบเทียบกับพระธรรมคัมศรัอของพระพุทธเจ้า เ, เอมันปีนเกี่ยวกันบ่อถูกไปแนะแนวแถวเดียวกันบ่อบอ่อแม่ที่สอนไปคนละทิศคนละทางพวกเขากันพ่อปฏิบัติไปแล้วยังคอยหูจักหลงทิศหลงทางเสียเว ล, วลาอีกต่างหาก ค น, นันหลวงพอมันใจนะแนวปฏิปทาของหลวงปูหมันของเฮาเนี่ถ้ามาเปรียบเทียบกับปลักพระถรำค้ำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ไปน้ากันไปน้ากันแนวเดียวเดียวกันเป็นอย่างไรจึงว่าจังสันออพอว่าเนี่ยพวกเข้าศึกษาที่พระพุทธเจ้าหนีออกจากเวียงวังเมนบละ่ะอ อ, ออกจากกุงกบิดลพัรไปบวชโยนาะฟังแม่นม้ำอโนมาณที่ พอไปบวชที่ฝังแม่น้ำอโนมาาทีพ่อบวชแล้วนะพระองค์อยู่ตามลำพังตั้งหกปีค้นคว้าศึกษาอยู่ในในระแวกนั่นซึ้งหปีผลในสุดพระองค์ก็ได้มาประทับอยู่ที่พุทธกรนะยที่ตน้นโพธิที่พวกเขาไปกราบที่ประเทศอินเดียพุทธกรนะพระองค์มาประทับยหหันพอประทับยห์หันพระองค์ ลำลึกเกลียว่าบำเพ่นหลายหลายอย่างอดภักกยอาหารถึงสี่สบเกมื่นก็มี่แต่เขาว่าเข้าได้ศึกษาในปฐมสมโพธิน์นะพุทธประวัตินะพระ อ, องค์ถําแบบเกือบทุกศาสนาในยุคสมัยนั้นพอพวกชีปงชีปเปื่อยพวกเกบผงแก้ผาผกหนวดเข้าลุ่ล่างไม่มัดในเมืองอินเดียสมัยนั้นแล้วแต่แต่ละแต่ละแนลพระ อ, องค์ก็ติดตามเอย ท่ำตามศึกษาจึงถืกว่าอดปกายานย า, ารถึง4ี่สิบเก้าหมจากนั้นก็ไปศึกษากับดาบวอีกที่อยู่ในละแวกนั้นดาราดาบวศตรกะกดาบตดาบสองฤาษีถี่มีซื่อเสียงตรงดังในยุคสมัยนะั้นอยู่ในละแวกนั้นพระองค์ก็เข้าไปศึกษาไปศึกษาส้าเร็ดดาบวศดาราดาบวศก็บอกโอ้ชิท ธ, ธัะ ท่านเรียนท่านเรีย น, ท, นท่านเรียนได้ศึกษาได้เร็วจบแล้ววิชาของขอ ง, ของผมแกลูกชิดลูกหาของผมนี่ยัยงพอท่านจบเถอแต่ท่านเข้าบ้านนี่จบแล้วเอาเถอะนะผมสิมอบลูกชิดลูกหาทั้งวัดถึงหาลอยให้แกท่านพอบผมแกแล้วผมก็คงจะอยู่บนนัให้ท่านรักษาปกครองไปเถอะนะซิดทัตทานะ้าเน่ยบ่ยังบ่หลับพอบ่เบิงเบิงแล้วยังไม่ใช่ยังไม่ยังไม่ ถึงจุดจบที่พระองค์ต้องการนะสิทธาพันวาเนี่ยพันก็เลยลาจากอาจารย์ดาราดาวบทจากนั้นก็ไปศึกษากับอุตกด า, าบทอีกโจในละแวกนั้นไปศึกษาอีกก็สําเร็จอีกคือกันอุตการดาบทก็มอบภรึกษให้อีกมอบวัดให้อีกพระพุทธองค์ก็บอเออาพรอวันนี้ไม่ใช่หนทางจากนั้นพระองค์ก็ออกมาบําเพ็ญด้วยพระองค์เองตามลําพังศึกษา ล่องแล้วลองอีกทดล่องแล้วลองอีกจนวันเดือนหกเพนธพระองค์ละเลึกได้ว่าสมัยเมื่อเป็นเด็กน้อยไปแหลกนาขวันกับพระบิดานั่งสนมกำมนั่นทั้งหลายได้นั่มพระองค์ออกไปแล้วกไปให้พระองค์นอนอยู่เงาต้นหว่เงาต้นหว่ า, าวต้นห ว, า, นหวายใหญ่อยู่ในในหิมหน้า พระเจ้าแผ่นดินก็ลกไปแลกหน้าควันพวกสนมกนัมมันก็ลงไปเบังไปช่มพระเจ้าแพ่นดินแลกหน้าควันปอยให้สิทธะเน้นอนอยู่ตามลำพังอยู่เหงาต้นวาเออแต่นี่ยสิทธะผู้นหน่อยๆเป็นเต็กหน่อยเห็นบ่มีผู้ใดไนปนพระองค์นอนอยู่ตามลำพังพอตื่นขึ้นมาเลยเกิพระองค์ก็บนางคัตสมาธิพ่อนางคัสภามาธิขาขวาทับขาทรายเมื่อขวาทับเมื่อทราย จากนั้นพระองค์กำหนดล้มหายใจเขา่ารัวหายใจเขา่าหายใจออกรัวหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในล้มหายใจเขา่าในล้มหายใจออกพระให้ใจของพระองค์ร่วมสงบเป็นหนึ่งเฮ้ข้าวนั้นร่วมจิตใจร่วมนะเกิดญาณรัศนะเกิดฌานจากนั้นพวกนั่งสนองกำนั่นเห็นว่าพระลูกเจออก้าเมตไพรจะเป็นผู้เฝ้าขืนม้าเห็นพระองค์นั่ง สิทธะนางเฮ็ดเจาอก่อโยนไปจุเหงาตนนกเหงาตนว่าไปแล้วก็มีอภินิหารอีกต่างหากแสดแดดแดดบอซองเขามาหาพระองค์เลยนี่แหละอันนี้แหละก็คือจุดหนึ่งจากนั้นพระองค์ก็บ่าเด็นั่งสมาธิที่บงคปฏิบัติอีกต่อไปพรอออกจากหันก็แล้วแต่พอมาถึงข้าวนี่แหละข้าวที่พระองค์ได้บำเพ่นอยู่ตามลำพังนี่คิดแล้วคิดอีก ทำท้ม่ากะท้ลมานกายก็แล้ว อ, อดพระกยอาหารก็แล้ว อ, อดล่มก็แล้วแต่พระองค์ก็ระลึกถึงเอออันนั่นก็นมั้งจะเป็นหขนทางที่เราเคยปฏิบัติเอาเล่าเคยมาในข้าวนั้นแต่ข้าวนั้นเป็นอย่างพระองค์จึงจึงปฏิบัติได้ออพวกข้าวก็สงสัยอีกเด็กหน่อยขนาดนั้นเป็นอย่างยังขึ้นดได้ออบวแวนเดชพระท่ยใจของสิทธะเพิ่นบำเพรนมากตั้งแต่ขังพระพุทธเจ้าองค์ใดตัวองค์ใดมากไม่ เออบำเพ็ญทั้งเป็นฤาษีชีภัยเป็นนักพรตนักบวช ม, มากต่อมากแล้วเป็นอุปนิสยัยติดพบติดชาติของเพลินมานมนานแต่พ่อมาถึงเข้านั้นอุปนิสัยเก่าของเพิินที่เคยบําเพ็ญมานมันไว้มันวิ่งโจ้ตเขามาหาเพิินเลยเออพอมาหาเพิินเพเกิดนํามาปฏิบัติเพราะเป็นฤาษีเออเป็นนิสัยของฤาษีการนั่งสมาธิภาวนาจากนั้นพระไถ่ใจของผมจึงได้รับความสงบน่ย นี่แหะคือเป็นอุปนิสัยเก่าอย่างพวกเข้ามาทําบุญทําท่านเมื่อนี้คือกันเป็นอุปนิสัยติดพบติดชาตและการสร้างบุญสางกุศลการสร้างบาปขึ้นกันการสร้างบากรติดพบติดชาติขึ้นกันนะทำที่บอดีบอดีกระติดขึ้กันทําความดีกระติดขึ้กันในพระพุทธองค์สางกุศลงามความดีมาติดนี่พบติดชาติมากเมื่อพระองค์ได้บําเพ็ญอย่างที่ว่าเนี่ยในวันเดือดหกเพ็ญพระองค์ก็มานั่ง มันนางตรึกตรองโอ้คงอ น, นั้นกำลังจะเป็นหนทางนะพอวันวันเดือนหกเพ่นเน่พระพุทธองค์ก็จะนั่งแบบนั้นละบาทนีจะนางแบบสมัยศรีธะสมัยเป็นกุ ม, มาร น, นะพอดีตอนใกล้คำานายโสธิยะน่าในนละแวกนั่นน่ะนายโสธิยะเนี่ยมีชื่อนคนในละแวก น, นะนั่ น, น, น, นนะไปหาตัดหญา้าข่าไปหาเกี้ยวหญา้าข่าบานเห้านะ พอไปหาเกลียวหยาค่าได้8ดกํา ม, มือ8ดกัมมือคือขางและซีกํา ม, มือนะสังซีกัมมือแล้วก็ไม่ขั้นหลาวสอดนะหาบคนนั้นไปหาบพานมาขางและซีกัมมือพอมาเห็นศีตถ ะ, ะนางอยู่เหงาต้นโพ่อตามลาพังเห็นว่าเออสีตถาเนี่คงจะนางบสบายว่ะออพอนางอยู่เหงาตนโพ่อตนโพ่อห้องก็คงเห็นจะมาหากมันร้อยตะปุ่มตะปำนะหากมันร้อยได้ตนโพ่อแกนะตนโพ่อเ่านะ คงจะนั่งไม่สบายสิทธะเอ๋โสธิยะก็เลยเอาถอดไม้ขั้นลาวออกมาแลกัแกหลักหย่าข่าเข้าไปมอบให้สิทธะแปดกัมมือสิทธะเพลิงก็ะไดหย่าข้าให้โสธิยะมอบให้เขาไปทั้งทีให้โสธิยะไปเนกี่ยวหย่าข่ามัดมือได้ยังผ้วเขาไปเกี่ยวหย่าข่าใช่ไหมล่ะโวจะได้8กัมื้ก็มันเปนาธรรมดาในมาสางอยู่หันนะ เพื่อให้มันเรียบร้อยนะจากนั้นกนัพ่อมาแล้วก็มอบให้ท่านสิท ธ, ธัตถนะสิทธัตถะเนี่ถือกันได้นายโสติยะพ่อเห็นเกิดศรัทธากไปเกิดความเคารพเหลื่อมใสเห็นสิทธัตถะนางอยู่ตามลำพังก็จะนางสบายนะก็เลยมอบหยาค่าให้พ่อท่านสิท ธ, ธัตถะได้หยาค่าแดกระมือเพิ่กนกระหาทําเลแล้วนี้เข้าชินางมองไดน่นียได้นนะนหยาค่าแปดกมือหนะลักหยาค่าไปไปในทางทิศตะวันออก ทิศ ต, ตะวันออกของตนพ่อพ่อได้หอดทางทิศตวันออกเพิ่นเกิดขี่หยาข่าออกซีกับมือมากหยาข่าออกแล้วก็หันหัวไปทางนึงแล้วก็หันหางมาทางนึงบาอะไรก็เอกซีกัมืออีกขหันหัวไปคนไปโคนอาทิตย์ละทางกันเลอย่างละซีกัมือบาในหานหางมันก็ไปสานกันมันหานหางหางยาข่ามันก็พุ่นจุ่มกลุ่มก็เป็นอาธนาระบาด นั่นแหละเพราะพระพองค์ขึ้นเป็นนางบนอาชนะหญ้าค่านั่นนี่นแหละอันนี้คือทำให้หญ้าค่าเป็นอาชนะเป็นที่นั่งจากนั้นพระองค์ขึ้นเป็นนางพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันนั้นนี่ชัดเจนในพุทธประวัตินะพระอาทิตย์ยังไม่อัตดงยังไม่ตกดินยังมีแสงสว่างอยู่พระองค์ขึ้นไปนั่งหันพระพักไปทางทิศ ต, ตะวันออกคือหันคือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนอนไป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 นี่แหะคือนับว่าก่อไก่ธ่รมดาเลขหนึ่งบีวลงไปแล้วว่าเอวนลงไปเอที่ว่าเป็นเบื้องต้นที่สดุดคือนางคัดสมาธิแล้วกําหนดล่มหายใจมีสติสติเนี่ยสำคัญนะมีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวในการนัง่งและ ก, กำหนดล่มหายใจเขา่ารู้ว่าหายใจเขา่าหายใจออกครู่ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเขาออกอาจากนั้นพัดให้ใจของโป่งต่อมเขาม่าต่อมเขาม่าบกบ ก, กิดไปทางอื่นเลยแต่ก่อนมันปโป่งฝูงไปทางอื่นบ้านเอบังคับให้มายุ่กับลมหายใจเขาหายใจออกจิตใจร่วมตะล่อมตะล่อมตะล่อมตะ ล, ล่อมเขาม่าจิตใจร่วมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจเน่งจิตใจสงบพ่อจิตใจร่วมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดความรู้หรือว่าเกิดชาญยานรัตถนาเกิด เกิดความรู้พิเศษขึ้นมาเอ่เมอมวดจิตร่วมแล้วเกิดความรู้พิเศษเกิดยานารสนะระลึกชาติทวนหลังใดนี่แหละในลักของพุทธศาสนาผนมาตายแล้วบอสูตรเนี่ยฟังเอาไว้จุดหนี้นอลงไปเอ่อท้าวาพระพุทธเจ้าเอ่อเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวจะระลึกชาติทวนหลังใดจังไหนเป็นวลระ อ, อันนี้ผลวาระระลึกชาติทวนหลังใดปุเพนวาสานุสติยานลำลึกชาติทวนหลังได้พ่อร ะ, ะลึกชาติทวนนี้ เข้ามาจากไสมาเกิดนี่มาจากสวรรค์ชั้นรุศิษย์เนี่ยพณ์ก็บอกเลยเนะตามประวัติพุทธประวัติเรามาจากสวรรค์ชั้นกําลังจะเกินไปชั้นอื่นเทวบุตรทั้งหลายเชิญให้พระองค์จะด็จลงมามาเกิดพรอถือข้าวพระองค์จะได้ตัสรูแล้วที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก่อนที่จะเกินไปเป็นเทวบุตรอยู่ชนะั้นทุศิษย์นะเกิดไปจากไสายเนี่ยก็บอกมาจากพระเวชชันดอดอ ออกจากกรจากพระเวทถนนมาจะาสเปิ้งกระไลไปเลยสิบ ช, ชาติสิบ ช, ชาติชาดกน่ะนะ เ, เตมิยะบางังสุวรรณสามบางัมบงมโหสถบังไอ้ที่พวกเราได้ศึกษาเนี่ยแหะคืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีอดีตชาติเพราะนั้นเราตายแล้วบ่อสูญตายแล้วเกิดอีกเนะี่ยยืนยัดยืนหยันจังดัน น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือตอนหัวคำ้ำพอตัวนตอนเทียงคืนบะเนี่ย พระองค์ก็ว so so so so ่าได้ลดละเพ่งมองพระองค์เ so บ so so ื้งแล้วเบืองเจ้าของแล้วบ่นีเบงตัวของพระองค์แล้วเบิ้งผู้อื่นบ่เนี่ยเบิองผู้อื่นอย่างที่ลูพ่อเนี่ยสกอนเบิ้งเจ้าของะกอนเบื้องลูกพ่ออินะกอนบาเนีเบิ้องญาติยมบ่เนี่ยบางเบื้งสีผู้นางย่อนี่พวกนี่มันมาจะใส่เนยจะเป็นอยังเกิดมาจึงบ่เหมือนกันบ่คือกันเกิดเป็นมนุษย์คือกันเป็นอย่างมันบ่บ่คือกันรูปร่างกลางตัวบ่คือกันความเฉลียวฉลาดบ่คื มันมีหลายอย่างที่ความบกคือกันบ้าใบเสียจิตหูหนวกตาบอดมันมีเกิดเป็นมนุษย์คือกันเป็นอย่างมันยังบ่บกคลือกันพระองค์ก็มองดูพ่อมองดูแล้วมองแต่ละคนอีเอนี้มันเป็นอย่างมันยังบกคื่อกันสาเหตุบกคลือกันเพราะเอเดใจพระองค์ก็มองว่ากรรมกรรมคื่อกันกระทําความคิดบกคลือกันการกระทําบกคลือกันการพูดบกคลือกันในเมื่อคิดทําพูดบกคือกันกรรมเรานั่นน่ะ ที่การกระทําออกไปเนะนี่ยจำแนกให้แต่ละค้นึ่เกิดมาบวกคืบกันคือกันค้อติดคุกนไปติดคุกอยู่เมืองอุดอรเอหรือเมืองใดก็ตามเอติดคุกบวกคือกันได้บางคนกับขโมยบางคนกับยาเสพติดบางคนอกับข่าผู้อื่นบางคนก็นน ก, กินเหล่ามันมีหลายอย่างอันนี้คือกั น, อ, น, น, อ, กนอันนี้ก็แต่ละคนนี่กรรมคือการกระทําที่มากเกิดมันบวกคือกันเพราะเหตุไรเพราะกรรมคือการกระทํา เพราะนั้นพระพุทธองค์เจียงบอกว่าอากะตังดุกตะตังเสยโยปัจชาตปติทุกตะตังคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําจะเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังใ ห, ให้พวกเข้าฟังเอาไว้สรุปแล้วก็คือบรมเณรพระพุทธองค์ใดบรมเณเทวดาองค์ใดบรมเณบรมีพระเจ้าองค์ใดที่ประสิทธิ์ปราสาทให้เข้า เป็นคนดีคนชัวนอกจากการกระทําของพวกเข้าเมื่อเข้าทําชัวแร์จะดีได้จังใดเมื่อเขําทำดีจะชั่วได้จังใดเพราะนั้นออกไปจากกรรมดีและกรรมชั่วเพราะนั่นหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจเ้าไปขนขวาศึกษาในวันเดือดหกเพ่นวันในคื่นมือนั่นนี่แหละให้พวกเข้าท่านทั้งหลายฟังเอาไว้จากนั้นพอจวนสว่างพระองค์ก็ได้บําเพ็ญจนได้ตัตตุรูอมักแ8ศีลสมาธิปัญญาชําระกิเลศ ชำระพระไทขององค์จะได้ตัดงรูเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพธิยานในวันเดือนหกเพ็ญ น, นั่นเนี่ยอันนี้คือตามแนวแถวของพุทธะจะที่มาพูดที่หลวงพ่อย่ำว่าเนี่ยหลวงปู่สาหลวงปู่หมันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเฮ้านี่พิษแปบกแวกแนวเรือว่าเดินตามแนวแถวของพระพุท ธ, ธเจ้าบอเนี่ยอันนี้จดดีแหละน่ย้เฮ้าเปรียบเทียบกันว่า ถ้ำคําคสอนของหลวงปู่มั่นกับถ้ำคําคสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในพุทธประวัติปฐมปมาปฐมมสมโพธินน์นั่นไปแนวแถวเดียวกันบอลนี่มาเปรียบเทียบไปฟังบ้านหลวงปู่มันท่านบอกว่าเวลาเข้าจะนั่งสมาธินี่ไหวพระสะกอร์เนอรอให้เลือกถึงกาโปล้มมาคู่สกอร์เพราะเข้านับถือพระพุทธเจา้าพระถ้ำพระสงค์เป็นสรรนะเป็นตีพึงพุทธทั้งทำมั่งสังขง สรนั่งคัดฉามิยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะเป็นที่พึ่งต้องไหวครูเจ้าก่อนคือไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเมื่อไหวแล้วข้าทิเว่าจุบรรยายได้มากหน่อยขนาดไหนที่ข้อที่บรรยายแต่ว่าถึงยังไงให้แพ่เมตตาเนออย่าลืมแพ้เมตตาอาหารทุกขิตโตโหมินิดทุกขโขเขมิขันธาวาบได้ให้แพ้เป็นแพ่เมตตาเป็นภาษาใจของเจ้าของ นึกปน้มมือขึ้นในอกในจิตในใจนะหนึกในใจว่าคาไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขคาไปเจ้าต้องการความสุขจังไดผู้อื่นวิญญาณอื่นทั้งหลายก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนาทุกดวงใจทุกดวงวิญญาณโดยเธอเนะ่ยนึกในใจจังสั้นอันนี้ก็คือหลวงปู่มันคูบาอาจารย์พระกรรมฐานเพผู้สอนหลวงพอ่อถือรับสอนจากหลวงปู่หลานะ จากนั้นเนะี่ยกาบเาพราะกาบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กาพุทธโธธรรมโมสังโขนิพพานังข้าพระเจ้ากาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยว่ามันกาเป็นพิธีเน๊ยกาเพื่อหวังพ้นทุกข์ถึงพริพพานอา่าเนื้อเจังสั้นเอกนะาจากนั้นก็นั่งสมาธิระบายนั่งสมาธินั่งแบบพระพุทธเจ้าผ่านังนี่ยนั่งคนะัดสมาธิขาขวาทับขาท่ายนะ นะ น, นักบันโนมือขึ้นระวางอกสก่อนนะเนอร์คือไหวพระพุทธเจ้าสก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบคือก่อนเท้าจิตนางสมาธินี่บุญเปนเข้าขึ้ททนในคิดคเทศบุญในคิดในคิดธรรมบุญเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใดแนะนำเป็นพระธรรมคัมศัตรของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเทาจึงก่อนเท้าจิตนางสมาธิเท้าจงระลึกถึงพระโคสก่อน โบล้มมาครู่สกก่อนขึ้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นพุทโธธรรมโอสสังโฆสามจบจากนั้นเอามือล่องพอเอามือล่องมือขวาทับมือซ้ายกาหนดล้มหายใจเข่าหายใจเข่าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทธให้บริกรรมพุทโธเนอะคานาวาเฮ้ากําหนดล้มหายใจอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดว่ากำหนดล้มหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มันลดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงได้ง่ายมันลืมได้ง่ายมันหลงสนหลงเงินได้ง่ายไอ้พอเะนะั้นสำทับกับพุทโธไอ้หลวงปู่มันท่านสอนลูดุษฎีของเพลนเลยนั่นแนหะละเรีกว่าดิษฎีสายหลวงปู่มัน่นบริกรรมให้ภาวนาพุทโธนะให้พวกเข้าฟังๆเอาไว้นะนี่แหละความเป็นมากของพุทโธนะหลวงปู่มันบอกว่าให้ให้บริกกรรมพุทโธนะ แ่แตนั like. okay. it, ่นพวกเข้าจึงบัได้เกิ่มหายใจเข่าพุทธท้ายแก่ออกโทษพุทโทษพุทโทมันโมเมนต์สิพุทโทษโมเมนสิอยู่ที่เดียวเลมันทะเลถลายไปอีกแ่มันทะเลกระปับออกมาอีกกระปับมหาพุทโทอีกทามันยังเผลออีกมันเผลอบ่อยให้นึกพุทโทษบ่อยๆผวนวางใจในบาทเอาพุทโทพุทโทษพุทโทพุทธโทพุทธโทพุทโทษาทับตัวที่มันนึกคิด จนบ่มีมันไ ม, ม, มีช่องว่างที่มันจะออกไปคนให้พูดท่อให้ทีเย็บให้มันอยู่เออนี่แหละอันนี้ก็คือพอแม่ผูบาดเจา็บไปในแนะนําสั่งสอนแต่หลวงพอบอกว่าทดลองอีกแบบนึ่งอินะจะท่ายาดโน่มหลวงพ่อนี่ยเคยทดลองดูใหเ้เวลาเข้าภาวนานให้ใหาเข้านับบางเรื่องเวลาหายใจเขานับหนึ่งให้จะออกนับสองสามสี่หา้าหกเ็ดแปด เออค่ายว่านับไปถึงรอยไปนับถึงรอยบ่อเผลอบ่อหลงนะให้กลับมานับหึ่ใหม่อีกเพต้องนับต่อหรอกนับหนึ่งใหม่แต่มันเผลือบเฮกับอย่าไปนับต่อครับมันเผลอบปุ๊บห้มันเฮกลับมานับนับหนึ่งใหม่หายใจเขานับหนึ่งหายใจออกนับสองอะแต่มันเผลอบแน่ๆพอหลวงพ่อเคยทดสอบทดลองมาแล้วนะบางที่อาจจะว่าถึงซิปเลยไปถ้าเข้าฝึกหัดใหม่ๆนะ แต่ว่าต่อไปเขาฟึกนคัดบ่อยๆเข้าไปนี่ยจะนับใดในบาทนี่ยอ่นับไดมันเป็นอย่างไรมันเผลอหายใจเขานับหนึงเป็นเลขขี้ใช่ไหมหายนับหายหายใจออกเเป็นเลขคู่ขี่คู่ขี้คู่ขีข้คู่ไปถึงลอยขณะว่ามันสิบเผลอเนี่ยพ่อไปเบอ่ไอไปวนๆท่านหอดเลขสิหายใจเขา่าสิบไหมหายใจออกเป็นเก้าหายใจออกเป็นสิบคือถูกต้อง เลขเก้าหรือเป็นเลขขี่ใช่ไหมเลขสิบเป็นเลขคู่แต่พ่อนับใบบัตรหายใจออกหายใจเข่า1ิบีหายใจออกสิบ ห, าา 14, หาออ 15, ้าผิดแหละได้บาัตรเพราะอะไรพอหายใจเข่านี่ยเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขี่เลยได้บาตมันฉลับกันอา้าวบอ่อใดต้องกลับมาหาหนึ่งไมคอีกนี่แหละทดลองดูนี่แหละการเป็นการฝึกสตินะถ้าเอาว่าฝึกต่อไรข้งรางต่อไรหุน่นใจห้องจะเนึง่ง พ่อเน่งเขามาแล้นับได้ถึงรอยเ่าเผลอนี่แหละอันไซเมอร์จะพ่มาตามเข้าอีต่างหากพราเห็ไหุไรเพราะเขามีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์เนี่แหละวิธีการฝึกหัดทางด้านจิตนะคณิตศททททญญิลป์เนี่ยโยมคือแนวแถวสายหลวงปู่มันแต่หลวงตามหาบัวท่านบอกว่าสมัยก่อนท่านเพิภ์าวนาเนี่เพิรนภาวนาหายใจเขาหายใจออกธรรมดาเนี่ลมหายใจมันเผลอพอดีวันในหลวงปู่มันก็บอกว่าเออมหา กำหนดพูดโทษพรอมนะลุงตามาหาบวกกำหนดพูดโทษโอ้กำหนด่ให้มันเผลอเลยทั้งยืนทั้งเดินทั้งนงั่งทั้งนอนบินทาบาตก็หาให้มันเผลออยู่กับพุดโทษตลอดโอ้สามสี่มือแลกเออเพลินหัวใจจะขาดปนวะทับสิแตกอกสิแตกมันแหนมน า, นานอกปนว่าอพอต่อมาเนี่ยเบาสบายจะไหนจติอยู่กับโจกจอกของใดบอ่อเผลอบาดนี่ปนว่ะ เอบอบอ่เผืบอบ่อหลงบ่อเริร่มแล้วบาดเนี่ยแน่ๆเออจากนั้นพ่อเคยพ่อบภาวนาได้ครับเไปกราบหลวงปู่มันไปในมหาภาวนายูเหล้วกัผมบาดจิตใจอยูเน่งนอะเออเอาถ้าจิตใจยู่สงบแล้วให้นําไปพิจารณาทางที่ปัจฉนาเนอะบาเนี้พอพี่ชณะมั่นบ่อออกบาเนี้เพราะว่าจิตใจมันติตในความสงบคนวะหลวงตามหาบ๊อบรอให้ฟังเลยเออจิตมันติดอยู่ในความสงบ คือสมถะมันสมถะคือความสงบเนีลยมันจิตใจหนึ่งคือกันเข้าไปนอนในห้องแอร์มันว่าจะออกมาทํางานนะมาศการไปหลวงปู่มันถามว่าเป็นไงมหาออกวิปออกพิจารณาเลยยัง่งยั่งครับผมมันไม่ยอมออกเลยบ่ได้ต้องออกบังคับไปมันออก น, ะนี่แหละลงอยู่กับคูบาอาจารย์เป็นสั้นเลยเอเป็นกาบังคับไปออกต่อมาหาบวกนั่งมาพิจารณาทั้งวิปัสสนาบนันไข่กล้ครครวนพิจารณาร่างกาย พิจารณากระดูกในกระโหลกพิจารณากระดูกในร่างกายเจ้าของพิจารณาอสุภะปฏิกูลดินน้ำล่งไฟแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายเพราะจิตใจของเขามันหลงร่างกายเลยพอหลงร่างกายแล้วมันหลงแนวอื้อมเลหลงหลาบหลงยศทรงสันเสลิญหลงทุกทิ้งทุกอย่างเพรอะไรเพราะมันหลงร่างกายส่อนเพราะฉนั้นพ่อแม่กู้บาอาจารย์เพิ่งไม่พิจารณาร่างกายเน้อยันหลงร่างกายเพออีกสักมื่อหนึ่งร่างกายเขาไปเผาไฟถิ่มแน่เพราะเป็นอย่างอื่นหมดไป และกระใจของเราออกจากล่างอีกตั้งหากท่านี่ไปไปไสายะบาดนีนี่แหละพ่อแม่ผูบรรจาร์ผู้สอน่สั น, นอันนี้คือแนวแถวสายหลวงปู่หมันหลวงพ่อบอกเป็นแนวทางให้กับคณะทัศ์ท่าน่ามเด้ฟังไดศึกษาต่าว่าเป็นล้ายเหมือนกห่อนเป็นนานหะลวง พ, อพ่อผู้บอยังหอนทานี่นะว่าการกล่าวและการพูดเมื่อนี่การกล่าวสัมมนทิฏฐิได้พบพระลูกพันล้านน้องนุ่ง และกาคณะทัตธ า, า, าญาติโยมทั้ทงหลายก็เห็นว่าซกคุ่นกับการเวลาด้วยอํานาจคุณภาษีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพบุญบา ร, รมีของพ่อแม่คู่บาอาจารย์ของพวกเฮ้าที่รักเคารพนับถือเทื่อมใสหลวงปูตั้งแต่หลวงปูเสาหลวงปูหมัดหลวงปูต่างๆที่พวกเฮ้าได้เข้ามาศึกษากระเพิ่นขอให้มากคุ้มคลองพวกเฮ้า ตลอดถึงจัดชัดท่า ญ, ญาติโน้มพ่นองลูกลานจงประสบจะความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธอ